ลหลวงครามมาไหลอาชีพ้าอาชีมามรวมชันเพล่นแต่วันท้อแม่ออกในี่ยจโจมอยากถามข่าวถามข้าวอวาจ า, ารย์มาไหลกบขนาดวัดปาหนงคู่แต่ว่าเบิดวัดทั้งยาทั้งโยมอะไรพบกอาชีมาสันเพนเพลิด เจอได้ปอเจอองพอมหาไหลได้่อเจอใครเหรอทุ่อย่างยากตอนอั่งอ่าอาจารย์วรเทพปฏิมา เพิ่นเยอมองไล่าพยายามมามากราบไปได้ครับใสผ้าพระสงฆ์ไซอร์มเน้นกราบเพิ่นมาเนี่ยาจโยมชาบ้านเท่าด้วยเป็นเป็นประเพณีขอพรรษาือดูขอพรรษาพระสงฆ์ไปหากราบพระเทละ สามวัดว่าล่ามต่างๆแล้วงพอจะเป็นพระเทละคือพันธุราะไรประมาณนังมากกล่เทละนับตั้งแต่สิบพันษาขึ้นไปเป็นเรียกว่าเทละ <c oughs> แลวงพ่อเดี๋ยวก็ได้สามสีเทลละแล้วแหละ <c oughs> <c oughs> ได้หลายเทลละแล้ว การทำวัดเป็นจากมหาไรได้กระบ๋านเขาได้ปุ่นกุศลตัวเมื่อเนร้องก็เมื่อตีเหล็กระลาบได้กีบว่านไหมย้ยางดีไม่ว่างเดือนเป็นวิศรัทนาได้ทอดผ่าไหม้างามงามตัดเป็นกีบว่าน สไว้ตอนกระิ้นพอดีละเดีย๋ยวในการกระิ้น <c oughs> นี่ก็เดือนซิบแล้วเนาะลืกเดือนซิบแต่เมื่อเก่าเม่ ก, ก, ก, ก, กอนก็บอกปลูกบอกเต่ารอนำห้นำหน้าอัดู่อัด คันท้าคันหน้าให้บันไดปิดน้ำใช่เขาแล้วดูนี่ก็ล่างองค์ดนะ้นหล่างองเก็บน้าฝนล่างปีละเทียแนะน่ล่างว่าเยาวานมันลองรับน้า ม, มากีนึงไม่ตะก่อน <c oughs> ล่างดีๆก็เริ่มเก็บน้มฝน เฮ้เพิ่งเที่ยงเดือนเดือนเดียวเราดูผ น, นก็นสิบวดเราดูนี่ก็กลับตันนำผลไว้กินและดูแลกินน้ำน้องน้ําหวยปลาอะไรขึ้นก็แต่น้ำผลก็ยังบาปลอดภัย จะหมนไม่ไม่ผิดเพาะถูกย่างอากาศก็ไม่ผิดดินก็ไม่ผิดน้ำก็ไม่ผิดอาหารการกินก็ไม่ผิด <c oughs> ต้องละมาตระว่ามกูเก่า อันอุปโภคบริโภคปัจใจซีธมาศพได้โดยเฉพาะพอเข้าชอบบ้าน <c oughs> เป็นคนรับภาระหนักกว่ากว่าคน อ, อื่น ชาวบ้านเจ้าให้เจ้าหน้าผู้บริโภคแต่ก่อนเถ้าเป็นผู้พิษจะดูเจ้าหน้าเป็นผู้บริโภคเจ้าหน้าเจ้าไรเป็นผู้บริโภคเขาผิดก็ได้ถ้าเจ็บไข้ได้ป่วยอากระต่องเสียเงินเสียทอง ดังที่ปกหมอเขาก็ปกเขาไม่คลินิกเขาก็อยากให้งงคนป่วยเพื่อไปเขาคลินิกเขาหมากหมหมอเห็นคนป่วยเขาก็ิดว่าะเขาจะได้เงินงตำรวจ <c oughs> เห็นคนมีเรื่องไม่เล่าเขาไปต้องได้เงินแต่ในความ เรามีคดีเป็นสาร <c oughs> เขาก็ต้องการแต่เัินไหลท่องโปรตเข้าเนี่ยพวกประชาชนตาดำๆพวกเขาน่ะเป็นผู้โยชุดไทยโม่ถ้าเสียค่าแพงพอค่าอะไรกำไรขึ้น เกันตั้งต้นทุนเจ้าโคกเข้าพวกเข้าก็เป็นเจ้าของคุยดีเขาเตอ่าอยัางเจ้าเข้ามากๆเหมือนไหมกับตะปูกับขอนพคกเข้าเนี่เป็นไหม่อาข้าเป็นขอนเอาก็ข้าเป็นตะปู รัฐบาลเป็นค้อนตีตะปูลงไปใส่เนื้อใหม่ตีตีจับค้อนตีตะปูตะปูก็ทิ่มลงไปที่เนื้อใหม่เนื้อใหม่ก็ต้องร่องหลับความลึกความตื่นของตะปูมันก็สินขาแล้ว่าแพ้งพองต้องรับียดชอบใจใ จ, ใจสูงขึ้นกรกเา พอข่าวก็ปวต่องใส่ใจยังทั้งเมด็ด <c oughs> ลาค่าสินค้ามันแพงภาษีแพงเขาก็เอาจากเขา้าพอพอย่อมเสียหายเอาเจ็บไข้ได้ป่วยยามันแพงเขาก็จากเขา้เขาพอไม่เลื้ยงไม่ล่าเกิดขึ้นเขาก็เอาจากเขา้าพอเข้าชาวบ้านตาดำๆนะ ถาจะปวดแล้วโลกอยู่ยใดพอโเข้าพอข่าก็อยู่ยใดพอโผลเข้ารัฐบาลก็อยู่ยใดพอโเข้าปกหมอก็อยู่ยใดพอโผเข้าชาวบ้านด้อาหารกันกินแต่ก่อนสิบพอข่ามาไหวพอหน้าดอนี่พอเมนสิบพอหน้าจะไปไหวพอข้าเข้าพิษเขา เอาเพชอ่อยเอาบอริเกนอ่อยเอาบได้กนเขา่าเอาไปเอานีเขามาไม่เพ็ดอ่อยเฮ็ดเขาพอเถึงเดือนโม ก, ลกุล่าคุ้มผ้าเอากระเลงหนีห้า ข, าขายเขา่าใส่หนีท่ <c oughs> อกสอเขาก็เปลี่ราค า, าเขาก็กระเลงห้าขายเอาขายเขา่าใส่หนี เขาก็เลยไปซื้อเขามา้กินเขาแล้วเฮ็นทั้งประเทกินเขาขายเศรษฐีเบิร์ดสาพบการพิษเขาพยายามโฆษณาระบบเกษตรแผนใหม่ <c oughs> ใช่ปุ๋ยใช่เคมี เยื่อไม่ดีเยื่อสินมาเห็ดตั้งแต่ผลเล็ดพืชเข่ากอกคอหนึ่งกอกคอสองกอกคอสามกอกคอสี่ห้าหกเอาผิดก็ได้ผลเล็พืชต่างๆพันแบบอื้อแบกแตงพันเขาโพดพันแักพริกแบเขึือ เอาผิดบ่อใดเอาเจ็บพันบ่อใดเขาขวบคุ้มพันของผืชดเลอดเอาปักท่องเอาปักท่องแล้วเอาเก็บพันไปปลูกบ่ไ ม, มีโอกาสได้กินน้วยปักแดงเขาเจ็บมเม่็ด้ปักแดงไปปลูกกับอะไรกินน้วยปลูกแล้วก็เป็นพุ่มอ้อยอ้ยอยบ่ย ม, มีเครือ พอเกิดดอกออกผลเกิดอยู่ต้นเกิดยู่ได้เพระว่าเป็นบักแตงปลูกบักพลิกก็เ่าเป็นบักพลิกปลูกบักแตงก็เ่าเป็นบักแตงปลูกฟักทองก็เ่าเป็นฟักทองถ้าเอาบ่ไปซื้อพันธุ์น้าเขาพอเขาขวบคุมพันธุ์แล้วต้องไปซื้อจากเขาจึงปลูกได้จรินต่อไปเล็ดฟักทองเม็ดหนึ่งสี่เม็ดล้ว สี่บาทหาบาทเขาเม็ดหนึ่งกับจเม็ดละสีบาทหบาทจะไปชว์โบราณเขาเขาพูนว่าบองขวนละบาดกคได้ยินบอก่เพียแต่ก่อนอันแล้วนแล้วต่อไปเขาสิบ่องขวนะบาทบ่งขวนมันมาพอกอบเมื่อเทาไเม็ดเขาเปลือกมันจะถึกแล้วต่อไป าาพอพอเข้าชาวให้ชาวหน้าประมาทถิ่มพูมมปัญญาของคนโบราณห้องมักงายเอาแต่เห้ามังายเฮ้าหลงควอมสะดวก <c oughs> เฮ้าติดค้วมสะดวกสบายวันสาร์ถ่ายมันเป็นผลเสียเป็นไพ่โตวพอเข้า <c oughs> เฮ็ดนงเฮ็ดทองกบพเป็นไอนี่เรากันกับัดตุ่ม เฮ็ดปลาลาเฮ็ดหนังปลาซื้อปลาล่ามาหมักไปจักปีนึงแลเฮ็ดปลาล่าเฮ็ดแก้วปลาแดกขายเฮ็ดเฮ็ดปลาล่าบองขายซ่อนละห่าบาทซ่อนละห่าบาทแต่อพอม่เพี้ยนลงทุนลงกันวะ เ่าต้องกินนางดอกขากิ้นปลาบองยาเดียวกับพ่อเรา <c oughs> รังสีเห็ดเหล่าเขาเห็ดเหลาเขาเก็สรไม่ห้ปลาไปตังไว้เหล่าเข า, าตังไว้ตะางเหล่าเข า, าเทรบเหล่าเขาก็เป็นคก ง, อง่อง เ, เนี่ยพอดีวันเนี่ยวันที่ยี่สิบหกเศรีชาวบ้านจากนครพน ม, พนมสกลนคร เี่เขาจยาอมข้ามท่อผาอ่ายอมข้ามเจมาบานเทา <c oughs> มาปูกเป็นพี่เป็นน้องเพ็นเนเดอร์บานเทาได้เจ <c oughs> ้าาพไปเฮ็ดผ่ายาอมข้ามน้ำพึน่นเป็นเจาภามาอุดมมาให้ <c oughs> อนอยยี่ผ่ายี่หกน้องกอลว่าไมมีเสียงกันว่าเป็นยัง เบ็ดเทียงเลยอ่าต่อไปก็พอเถอะเย็เย็นเป็นสุขทุกคนทุกคนเถอะเรียกอนนาสุขภาพละ